ก็อย่าทําความอะไรใจดีในสิ่งเหล่านั้นอย่าไปทําความพออกพอใจดังนี้จึงไม่ปรากฏคือไม่เป็นที่ชอบใจของคฤหัตด้วยประการชนี้นะคำว่าให้ละให้คลายให้อย่ายึดถืออย่าอะไรอาวรนอย่าติดอย่าค้องเนี่นนะเป็นคําที่คารว่าทั่วไปไม่ค่อยชอบฟังเหมอนกัจริงหรือเปล่าก็ไม่ทราบเอาไว้ถามผู้การดู ของบางคนก็ปรารถนาพระนิพพานนะครับแต่ว่าก็รู้ว่ายังไงก็อาจจะยังไปไม่ถึงก็เลยยังมีความหวังอยู่ว่าโลกหน้าก็ขอเพื่อจเจริญต่อในสวรรค์อันนี้เป็นวิสัยของผูุู้ชนแต่ว่าของอย่างของท่านอนาฏปิปนิกะในวิสาขานะะี่ครับก็ยังดูเหมือนท่านยังมีความหวังในโลกหน้าในขันท่าอยู่เพราะว่าท่านก็ปรารถนาที่จะไปเรื่อยๆจนถางโลกปริปรนิพพานที่อาการนิจการ ก็ยังชื่อว่ายังหวังโลกหน้าอยู่นะนี่อัธยาศัยน้อมไปในวิวัตตะถึงจะไปอยู่ที่ไหนนะเพราอความที่จิตมันโอนไปหาวิวัตตะเนี่ยยังไงมันก็ต้องน้อมไปในของโลกหน้าถามว่าถ้าพลาดจะเกิดขึ้นนั่นนะก็อาบายถึงหวังโลกหน้านะพอมาถึงกลับมาเป็นมนุษย์ใหม่นี่ก็เสียงมากๆเลยนะะถ้าเรามาเป็นสมมติวามันระเกิดเป็นคนในเดียนะอย่างดีก็เป็นเหมือนนักศึกษาที่เราเห็นข้างรถเมื่อกี้นี่แหละ เราจะมาเรียนอะไรเนาะจะไปยังไงเนาเพราะฉะนัะ้นถ้าหากว่าทังเกิดโลกหน้านั้นแต่ว่าไปแล้วไม่ปลอดภัยโดยประการทั้งปวงแต่ถ้าเรามีอัธยาศัยน้อมไปในวิวัตะถึงจะไปอยู่ที่ไหนเนยเพื่อความที่จิตมันโอนไปหาวิวัตะเนี่ยยังไงมันก็ต้องน้อมไปในวิวัตะถึงจะไปอยู่นะแ่งหนตำเ น, นินใดมันก็ดิ้นดนหาวิวัตตะจนได้ พระอัธยาศัยที่ตั้งไว้ในวิรัตะมันมีกำลังแต่ถ้าหากว่าตั้งไว้เพื่อวรัตะอะไรจะเกิดขึ้นมันก็อาวรในวัตะมันก็หวงมันเยี่ยงใหญ่ในวัตะอย่างเต็มที่แม้แต่คำว่าจากแหมใครที่บอกคำว่าจากมันเป็นคาชั่วมากเลยนะใครที่มาเชินให้ออกไงนะเป็นคำที่ไม่น่าฟังเอาเลยเพรา ะ, ะรเราพล า, ายาศัยเหนียวน่นในสิ่งนั้นกราบนุบัศการถามพระอาจารย์ค่ะคือจากฟังอะ ที่พระสารีบุตรท่านแสดงกับท่านอนาถาบินติกะก็เข้าใจว่าพระสารีบุตรคงจะเห็นว่าท่านเป็นขหบาบดีที่ร่ํารวยมากก็เลยค่อยๆแสดงเพื่อให้ท่านละคายความติดข้องในทรัพย์สมบัติแล้วก็ลูกเมียข้าทาสบริวารตาของเราหรือตามเห็นขันห้าในเมื่อท่านเป็นพระโสดาบันแล้วอท่านทําลายสกายทิฐิแล้วความที่จะเห็นเป็นของเรานี้มันก็น่าจะ ไม่มีอยู่แล้วทำไมภาษารีบุตรถึงถึงแสดงแบบว่าเหมือนกับกลัวว่าท่านจะยังติดข้องกับทรัพย์สมบัติอยู่อย่างนั้นนะคะคือความันจริงแล้วนเนี่ยนะถ้าเราเข้าใจคำว่าปริญญาเนี่ยผู้ที่เป็นตุตุชนปรารถนาปฏิบัติธรรมเพื่อความเป็นพระโสดาบันเนี่ยเขาเขาปฏิบัติพิจารณาอะไร ก็พิจรารณาขันห้าว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราหรือตามเห็นขันห้าด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นต้นนั่นเองเ อ, อใครให้กล้วยแถวนี้เนี่ยนะระวังรบกวนการฟังธรรมเนีเดี๋ยวจะขาดทุนชีวิตนะเพราะว่าเดรัจฉานก็คือเดรัจฉานแล้วถูกการมีอยู่ในที่ใดที่นั่นมันเป็นการทะเลาะแข่งแย่งกันเห็นมไห ม, มันเริ่มกัดกันแล้วไม่ก็ตามใจสิแต่ว่าแต่ว่าคิดให้ดีๆเนี่ยก็มาแจกแถวนี้มันก็อย่างนี้แหละยังเป็นเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวมันก็ พิจารณาให้ดีนะให้เพราะว่าไม่งั้นนี่คขาทุนชีวิตเนะีกลายเป็นว่าอ่าการเลี้ยงลิงเป็นต้นนี้เป็นสาระของการมานะไม่ได้ห้ามให้ทานแต่ว่าเนี่ยให้ดูว่ากลายเป็นถือสิ่งเหล่านี้เป็นสาระในลําบากนะแต่ขอมาจะไม่ห้ามแต่จะเล่าให้ฟังว่าอะไรเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์เนี่ยถ้าหากว่าไม่ไม่ศึกษาพระธรรมจนแทงตลอดอริยสัตว์เนี่ยนะก็มาอุ้มลูกแบบนี้แหละ ก็ต้องมาทะเลาะกันแบบนี้นี่แหละก็ต้องมาเป็นลิงอยู่อย่างนี้แหละไม่ได้พน้นพ้นทุกข์เลยโดยทิ่มันเกาะแม่ของมันแม่ก็ห่วงลูกแต่ทีนี้แหลความรักลูกมันก็ต้องสแสวงหาปากท้องทั้งหมดเนี่ยถามว่าเกิดจากอะไรก็โ ธ, ธาตุวายโยธาอากาศธาตุกายใจว่าเป็นเราว่าเป็นของเรายึดถือในรูปเสียงเกลี่อนรสโพธิภาวะว่าเป็นของเราก็คือยึดมั่นใน จักรวิญญาณโสตคานะชีวหกายะวิญญาณและมโนวิญญาณก็เพราะความยึดมั่นในจักรวสัมผัสโสตสัมผัสคานะสัมผัสชีวหาสัมผัสกายะสัมผัสและมโนสัมผัสก็เพราะยึดมั่นในเวทนาที่เกิดจากจักรวิสัมผัสเวทนาที่เกิดจากโสตะคานะชีวหากายะและมโนสัมผัสที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะยึดมั่นในรูปในปฐวีธาต อาเตธาต์เตโชธาต์วาโยธาต์อากาศธาต์ที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะยึด ม, มั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่ายังยึดถือในภพสามนั่นเองเอนะพันผู้ที่ยังเพลิเพินยินดีติดข้องอาไลาอาวร์ในภพสามคติข้องเขาก็วนๆอยู่อย่างนี้แหละก็พื้นฐานจริงๆก็ติดในมหาภูตรูปนั่นแหละทีนี้ก็มีอีกต่อไปว่า ด, ดูก่อนครือา บ, บดีเพราะฉะนั้นท่านพึงทำศึกษาอย่างนี้ว่าอารมณ์ใดที่เราได้เห็นได้ฟังได้ทราบได้รู้แจ้งได้สแสวงหาได้พิจรารณาด้วยใจเราจักไม่ยึดมั่นอารมณ์นั้นสิ่งที่เรารับรู้ทั้งหมดเลยนะสิ่งที่เราคิดถึงทั้งหมดทุกชนิดเนี่ย ไม่ยึดมั่นว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราไม่สําคัญหมายในอารมณ์ที่เรารับรู้ทุกชริตด้วยตัณหามานะและทิฏฐิเลยเนี่ยนะเาบอกว่าพอเมื่อพระธรรมภาษารีบตรกล่าวอย่างนี้แล้วอนาถาบิทิกะเศสถีก็ร้องให้ น, น้ําตาไหลนีะร้องฟังจบร้องให้เลยนะทําไมร้องให้เนี่ย ท, ท่านก็ขณะนั้นท่านท่ามันก็ได้กล่าวกับอนาถาบิทิกะเครืหาบาดีดังนี้ว่าดูก่อนเครหาบาดี ท่านยังอะไรใจจดใจจ่ออยู่หรือคือฟังทำรร ม, มาขนาดนี้ยังมีหวงแหนอีกหรือยังติดยังคงยังอะไรอาวรณ์อยู่อีกหรือท่านอนาถบิณฑิกาก็กล่าวว่าข้าแต่ท่านท่านนนทผู้เจริญกระผมไม่ได้อะไรไม่ได้ใจจดใจจอ่อแต่ว่ากระผมนั่งใกล้พระศาสดาและหมู่ทิสุที่น่าเจริญใจมานานแล้วก็ไม่เคยได้สดับทำมีคาถาเห็นปานนี้คือไม่เคยฟังทำอะไรที่ลึกซึ้งขนาดนี้เลยวะนั้น ทีนี้อัตกถาตั้งคำถามว่าาศ ส, าสดามไม่เคยแสดงเ้อยคำที่ละเอียดลึกซึ้งแบบนี้เลยหรือจะว่าไม่มีก็ไม่ใช่จะว่าท่านไม่เคยแสดงอย่างนี้ก็ไม่ใช่ แต่ทว่าที่แสดงทั้งแสดงครบชุดเต็มเปี่ยมบริบูรณ์แบบนี้ไม่เคยมีที่จะแสดงณชุดที่หนึ่งอายตนาภายในชุดที่สองอายตนาภายนอกสามพวานทั้งหมดอะที่ชุดที่สี่ผัสสะหกชุดที่ห้าเวทนาก็คืออานาถาบินทิกรไม่เคยฟังอะไรที่มันกว้างขวางขนาดนี้นะเป็นการใส่ไว้ในความเป็นพระอรหันด้วยอานาจรูปที่ได้เห็นเป็นต้นเสียงที่หูได้ยินเตืนที่ พอคันห้าจบอรูปภพเนี่ยนะอรูปประชาอารูปภพแล้วอายตนะภายในเขอภเอภัยโลกนี้โลกหน้าแล้วก็สิ่งที่รู้รู้อะไรนะสิ่งที่สแสวงหารู้แจ้งแสวงหาเป็นต้นเนี่ยนะไออารมณ์ทางมโนทวารทั้งหมดที่ที่คิดนึกนั่ะที่รับรู้ทั้งหมดเนี่ยอันนี้คือหัวข้อทำที่อนาถาบิญทิกะไม่เคยฟังอะไรที่มันกว้างขวางขนาดนี้นะเป็นการ ใส่ไว้ในความเป็นพระอรหันด้วยอำ น, นาจรูปที่ได้เห็นเป็นต้นเสียงที่หูได้ยินกลิ่นที่กลิ่นรสผลิภัพฑ์ที่จมูกลิ้นกายได้รับทาราบธรรมะรวมที่ได้รู้แจ้งคือที่จะแสดงกว้างขวางลึกซึ้งขนาดนี้านาถาบินทิกะไม่เคยได้ยินเพราะฉะนั้นานาถาบินทิกะฟังอย่างนี้ก็เลยร้องให้ ai, น้ำตาไหลเนี่ยน ะ, น ะ, นะรูปแสดงอ่รูปฌานไม่ได้แสดงเพราะแสดงคําว่าในท่าสี่อยู่แล้ว คำว่าไม่ยึดมั่นในปัทวีอาเปเตร โ, โ, โชยาโยพวกนี้คําเนี่มันรวมรูปฌานไม่หมดเลย น, นะะเพราะปัทวีธาตุเป็นต้นเป็นอารมณ์ของรูปฌานได้หมดอยู่แล้วนี่นะแต่ไม่ยกมาชี้พิเศษว่านี้เป็นรูปฌานนี่นะพะชี้ที่อารมณ์ก็รู้ว่าสิ่งเหล่าเนี้เป็นอารมณ์ของรูปฌาน เจตุประสงค์ที่ท่านแสดงเพื่อให้ท่านอนาถพินิกะทำปริญญาตามไปด้วยหรือครับก็คือเป็นการตรวจสอบตัวเองว่าตัวเองยังติดข้องอะไรบ้างอะนะก็มาไล่ดูว่ายังติดอะไรอยู่บ้างในในบรรดาอารมณ์ทั้งหลายที่ที่ยังอาเวร์เนี่ยนะที่ยังอาเวรณ์ก่อนจะจากนะเหมือนอะไรเหมือนเราจะออกจากโรงแรมนี่ก็ตรวจดูก่อนว่ามีอะไรที่เรายัง นักติดอยู่ไหมนะครับไล่ดูเลยต้องกลับเริดดูแล้วเช็คดูแล้ตรวจ ด, ดูแล้วเอี่ยังมีอะไรติดยังมีอะไรคล่องยังมีอะไรหลงเหลือหรือเปล่าที่จะต้องกลับมาอีกนะนะ่ก็ลักษณะเดียวกันก็เป็นการมาพิจารณาโทบทวนพิจราครณาไข้ควรว่ายัางติดยังคล่องยังอาวรณ์ยังอะไรอะไรอยู่หรือเปล่านะนี่ก็ด้วยเหตุผลหลักบางส่วนท่างก็คงจะต้องพิจารณาอยู่ แต่ว่าบางส่วนอาจจะไม่ได้พิจารณาหรือไงครับก็มันค่าๆแบบเป็นการทบทวนะนะะเป็นการทบทวนให้ฟังว่าอะไรบ้างที่ที่จะต้องละเนี่ยนะอะไรบ้างที่จะต้องคือการแสดงธรรมที่จะไม่ไม่เจาะกล่าวเฉพาะบทใบบดบทหนึ่งทรงใดทรงหนึ่งนั้นธรรมก็ถึกผู้แสดงธรรมที่ดีนั้นเขาก็จะแสดงโดยสมดุกถ้าเป็นัะขั้นละตอนก็จะแสดงโดยกว้างขวางโดยเท่าที่การจะเน่กการแสดงจัดเป็นไปได้ ทีนี้ที่คุณการตาถามว่าในเรื่องการธรรมารหัตผลให้แจ้งก็ต้องพิจารณาขันห้าคือพระโสดาบานันตูตชนที่ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันพิจารณาขันห้าเพื่ออะไรสกายยะทิฏฐิวิจิกิจฉาสีละพรตาปรามาน ถ, ถ้าเป็นอปติผลยังไงก็ต้องพิจารณาขันห้า ทีน so so so ี้ถามว่าเมื่อเป็นพระโสดาบันแล้วปฏิบัติเพื่อทำสกทาคามีผลให้แจ้งต้องทํำยังไงก็พิจารณาขันธ์ห้าถ้าเป็นพระสกทาคามีแล้วประสงค์จะเป็นพระอนาคามีจะต้องทํำยังไงก็ต้องพิจารณาขันธ์ห้าเมื่อเป็นพระอนาคามีแล้วจะต้องทํำยังไงเพื่อจะทำมรหัตคผลให้แจ้งก็ต้องพิจารณาขันธ์ห้าคือพระโสดาบันเอตัวเชนที่ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันพิจารณาขันธ์ห้าเพื่อละอะไร สกายะทิฏฐิวิจิกิจฉาสีละพาตตาปรามานถ้าเป็นพระโสดาบันเลยปฏิบัติเพื่อทำสกัดทาคามีผลให้แจ้งจะต้องพิจารณาอะไรก็พิจารณาขันท่าเพื่อทำการมราคาปฏิฆาให้เบาบางถ้าเป็นพระตสกัดทาคามีแล้วก็พิจารณาอะไรก็พิจารณาขันท่าเพื่อทำการมราคากับปฏิฆาให้ให้หมดไปถ้าเป็นพระอนาคามีแล้วจะต้องไปพิจารณาอะไรก็พิจารณาขันท่าเพื่อละ รปราคะอรูราคะมานะอุทะจะและอวิชาะนั้นการที่ขันห้านั้นจึงเป็นเป็นภูมิของผู้พิจารณาเพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์เพราะฉะนั้นจะเป็นบุคคลระดับใดก็ยังพิจารณาขันห้าเพราะสิ่งที่ไม่ใช่ขันห้าจะพิจารณาว่ายังไงพิจารณานิทานโดยสีโดยกลิ่นโดยรสมันก็ไม่ใช่สักอย่างเพราะฉะนั้นอภูมิที่จะพิจารณาจรงิจรงๆก็อยู่ใน ในอในกลุ่มคือขันห้าก็คือการพิจารณาขันห้าการเาครื่อนเครว่อนขันหาการพิจารณาขันห้าแต่พิจารณาเพื่อถอนสมุทัยเพื่อถอนอาณเสาวเพื่อถอนบาปและถอนอาุณสมทั้งหลายเพราะฉะนั้นการพิจารณานั้นโดยเฉพาะ แม้กระทั่งบุคคลเบื้องต้นหรือบุคคลระดับสูงก็ยังไงก็ยังต้องพิจารณาตาหูจ ม, มูกลิ้นกายใจอยู่ดีเพราะคำว่าใจเนี่ยอมความไหนมางใจที่เป็นกามาวจรใจที่เป็นรูปาวจรใจที่เป็นอรูปาวจรทั้งการพิจารณาใจหรือจิตเนี่ยจึงกว้างขวางมาก กลับนวัตการพระอาจารย์ค่ะจากตัวอย่างของพระสูตรนี้ถ้าเรานึกถึงไปว่าสมมุติว่าวันหนึ่งข้างหน้าตัวเราเองนอนอยู่บนเตียงมรณะหรือว่าเราไปเยี่ยมสหายธรรมที่ได้เคยเรียนรู้ธรรมะมาแล้วบ้างนี้หัวข้อที่เราควรจะไปสนทนาหรือว่าควรที่ตัวเราเองจะตึกก็คือว่าถ้าสติสัมปชัญญะมีอยู่เราก็ทําปริญญาใน ขันห้าหรือว่าทรัพย์สมบัติหรือว่าสิ่งที่เราเป็นอิทธารมที่เราติดข้องเพื่อระคายความติดข้องถ้าหากทําวิปัสสนาไปแล้วก็เหนื่อยล้าหรือฟุง้งซ่านแล้วก็สลับด้วยการจ ะ, ะรนะแล้วหรือว่าพิจารณาถึงทานนุสติอะไรพวกอย่างนี้สลับไปจะอยู่ในสภาพแบบนั้นอ่ะนะจะคิดอะไรอ่ะอันนี้ถ้าหากว่าหัวข้อธรรมมาศึกษามาไม่ดีใคร่ควรมาไม่ดีเนี่ยอยู่ในสุขบจักดียื่ไม่ได้แตสุขภาพ จะอยู่ด้วยอะไรก็ลองคิดดูกันแล้วกันเนี่ยนะว่า ง, างก็ไปสนตานากระตนาคือวตนาอยู่ด้วยทำมีกคาอะไรอนนะนะใช้ชีวิตอยู่ยังไงซึ่งมันต้องอยู่อยู่แล้วอ่ะถ้าด้วยเหตุปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเนี่ยนะที่เรียกว่าอโดยที่สุดเอาเฝ้าบ้านอนะ่ะไปไหนก็ไม่ได้ต้องอยู่นี่แหละแล้วไฟก็ดับด้บดวยอ่นนะแล้วเบื่เบื่อเบอะไรนะแบบคนป่วยเคยเป่วยไหยแต่อยู่ในสภาพแบบนั้นอ่ะนะนะจะคิดอะไรอ่ะ อันนี้ถ้าหากว่าหัวข้อธรรมะหรือทางใจก็ตามความมาไม่ดีเนี่ยอยู่ในสุขในฐานะที่เรียกว่าสุขภาพก็ไม่ดีเลยคุณตุ๋นอยู่ด้วยกรรมาฐานอะไรเนอะตอนที่ต่วยเนี่ยนะเฝ้าบ้านอยู่ตลอดเลยทำยังไง ก็พิจารณาเอากันแล้วกันมาคือเราต้องศึกษาพระธรรมเนี่ยก็เพื่อประโยชน์เหล่านั้นนะนะถ้าหากว่าไปอยู่ในสถานที่แห่งนั้นไปอยู่ในโอกาสเหล่านั้นเช่นไปอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ในที่รับที่นอนอยู่ในที่ที่ใดก็ตามที่เราต้องทนอยู่อยู่ที่นั่นนานเนี่ยเราจะอยู่ด้วยอะไรเนี่ยนะโดยที่เราไม่เป็นบาปเป็นอกุศลที่นี้ไอ้ความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยนะความทุกข์ทางกายหรือทางใจก็ตามความทุกข์เหล่านี้เป็นเหตุใกล้อย่างดีของอุทจักกุกกุจะ เป็นเหตุใกล้อย่างดีต่อบาปและอกุศลเพราะฉะนั้นบาปอากุศลที่เคยทําเป็นต้นเนี่ยจะผดขึ้นมาทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างไปเรื่อยๆอันถ้าหาว่าไม่ศึกษาพระธรรมคําำคำสอนเอาไว้ให้ดีๆเนี่ยนะกุศลไม่ค่อยผลมาเนี่ยลาบากถ้ากุศลไม่ผดมาเนี่ ย, ำยทำไงอันนี้แหละที่เราจะต้องย้ําให้ตัวเองว่าอะไรคือสาระอะไรคือทางแห่งวัตฏะอะไรคือทางแห่งวิวัตตะ เขาต้องมาตรวจสอบว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราคิดถึงทั้งหมดยามเจ็บป่วยนงมีนึกถึงพ้นตาหูจมูกลิ้นกายใจไหยไม่มี่พ้นรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภาพธรรมารมมัยพ้นการเห็นการได้ยินการรู้กลิ่นรู้รสรู้โพธิัาพนึกคิดทางธรรมารมมัยไม่มีก็เนี่ยภาษาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเวทนาที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจจริงๆแล้วสิ่งที่เราคิดถึงทั้งหมดก็ไม่พ้นภวาน ทวารหกที่เป็นอดีตหรือทวารหกที่ควรจะเป็นไปในอนาคตซึ่งสิ่งเหล่านี้คือขันห้าขันห้าในทวารหกก็คือคิดถึงอยู่เท่านี้เองจริงๆดังนั้นถ้าเบื้องหลังถ้าเราเอาสิ่งเหล่านั้นไม่ต้องคิดถึงเพื่อนเพื่อนก็คือขันห้าเพื่อนก็คือธรรมะสามสิบนะนะอะไรบ้าง ตาสีจะคุวิญญาณภาษาเวทนานะที่เป็นที่ตั้งแห่งบัญญตัติโมหันว่าเป็นเพื่อนถ้าหากว่าอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้เราได้ทําปริญญาเอาไว้เป็นอย่างดีไข้ควรไว้เป็นอย่างดีเนี่ยนะเมื่อเราไม่สบายเราก็จะน้อมแบบนั้นได้เราก็จะพิจารณาแบบนั้นได้การพิจารณานั้นไม่ใช่รอให้ป่วยก่อนแล้วรอพิจารณาดูเอางง่ายๆก็ได้ตอนที่ปวดปัสสาวะเนี่ยจะไม่พิจรารณายาไม่ค่อยดีนัก กรรมมากตาไม่ค่อยแม่นนักเนี่ยนะก็คือเราเองเนี่ยถ้าคิดพิจารณาให้ละเอียดดีๆรอบคอบจริงๆนะวัตถุแห่งที่ตั้งแห่งกรุณายังมีอีกเยอะมากๆเลยเจริญว่าอย่างไงดีอาศัยกายกับโทตภาพเกิดกายยาวิญญาณธรรมสามอย่างประชุมการเตือนภาษาเนะีอาจจะได้รอบแรกก็นดะ้รอบที่สองสักไม่เอาลนะจริงๆหนึ่งรอบมันใช้เวลาคิดแค่นาทีเดียวใช่ไหมและอีกสี่ห้าสิบนาทีไปคิดอะไร เขาตาไหนดีหนอก็เชงญดูนั่นแหละจุติมีตาเป็นอารมณ์อยู่ไปไหนอ่ะเพราะถ้าหากว่าไม่วิจารณยาไม่ค่อยดีนักกรรมสกตาไม่ค่อยแม่นนักเนี่ยนะก็คือเราเองเนี่ยถ้าคิด พ, พิจารณาให้ละเอียดดีๆรอบคอบจริงๆนะวัตถุแห่งที่ตั้งแห่งการุณายังมีอีกเยอะมากๆเลยเพียงถ้าเราไม่อะไรนะถ้าเรา ตรงต่อตัวเองบ้างตรงต่อคําสอนแล้วเอาคำสอนมาสงเคราะห์ลงในชีวิตที่เป็นจริงเนี่ยจะรู้ว่าเราเองนี่น่ากรุณาอีกหลายเรื่องนะน่ากรุณาหรือหน้ามุติตาหน้ามุติตาตรงที่ได้มาไหวสังเวชนิยสถานสวดมนต์ฟังธรรมเป็นๆเนี่ยนะแต่เรื่องเกี่ยวกับเรื่องการทําปริญญาเรื่องการเจริญเรื่องการไข่เคลื่อนอันนี้น่ากรุณาอยู่เนี่ยนะก็ก็แก่กะนะชื่นชมต่อตัวเองตามการใช่ไหม เีอะอะไรนะขอยกในสมัยที่ควรยกเออเราก็ไม่ธรรมดานะเราก็ยังมีบุญยังนน่นยังนี่อยู่นะก็เลยยกในสมัยที่ควรยกไหมอีกพักหนึ่งก็ต้องข่มในสมัยที่ควรขม่มแล้วบางอย่างก็วางเฉยในสมัยที่ควรวางตอนไหนตอนไหนที่ควรปล่อยวางวางเฉยในสมัยที่ควรวางตอนที่กุศลเป็นไปได้อย่างต่อนเนื่องดีเออเฮ้เจ้อล้วปล่อยไปให้เป็นไปอย่างนี้เรื่อยๆนะแต่ถ้าหด ห, หู่หรือท้อแท้อันนี้ก็ต้องยกละ ทีนี้ย้อนมาว่าที่พระนอนท่าน อ, าอนาถาบอกว่าท่านมีคาถาเห็นตามนี้เนี่ยเหมือนกับว่าคารวะไม่เคยฟังจริงๆแล้วคารวะไม่ค่อยได้ฟังธรรมเหล่านี้หรอกเพราะอะไรเพราะว่ า, ากลุ่มคารวะทั้งหลายก็อย่างว่ายัางมากก็แสดงอนุปุธิคาถาใช่ไหมเรื่องทานเนี่ยเรื่องศีลเนี่ยแสดงอย่างกว้างขวางไงพออริยสัจก็แสดงแต่พอสังขี เน่ยนะก็จริงๆแล้วก็เป็นอย่างนั้นนะไม่ค า, ารวะไม่มากกล่วหรอกนะที่ชอบฟังอริยสัจเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะถือว่าฟังอริยสัจเป็นหลักโดยมากก็เนี่ยโอ้นีน่นะตรงนี้เขาทําบุญอย่างนี้แล้วได้วิมานอย่างนั้นก็ซื้อขายสวรรค์อยู่นั่นแหละซื้อขายมหาพูดอยู่นั่นแหละ ท่านโดยรวมๆแล้วโดยมากนี้เป็นอย่างนั้นถ้าไปพูดอริยสัจที่ไหนนะเออท่านพูดอะไรก็ไม่รู้ก็คนจริงๆแล้วคนที่ฝักใฝ่ชอบฟังในเรื่องนี้จริงๆแล้วไม่มากก็ต้องดับงานทั่วๆไปก็ต้องพูดแบบเออเนี่ย e 네ถ้าโยมบริจาคเท่านี้จะได้บุญอย่างนั้นเท่านั้นเป็นต้นก็ส่วนใหญ่ก็จะชอบฟังในในลักษณะนั้นซะส่วนใหญ่ของอะไรที่มาชอบฟังอย่างนี้เนี่ยนะจริงๆแล้วเชื่อไหมแพทยจะคัดจังหวัดละคนมาลองไล่ดูแเนี่ยแพทยจะจังหวัดละคนใน ถ้าไปเอามาแหล่งเดียวเลยนะมันได้ไม่กี่คนเลยเนี่ยไปเที่ยงคัดมาเต้ยไปหมดเลยในขนาดนี้ก็อยู่ัคนละฝ้าคนละซอกคนละซอยเลยนะก็เขคือเนี่ยเป็นอย่างนี้จริงๆฉั้นกลุ่มผู้ที่ฝากฝ่ายในการเรียนรู้อริยศาสตร์ฟังอริยศาสตร์เป็นต้นนี้จะไม่ค่อยมากเลนะก็น้อยมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วผู้ที่ฟังทำในระดับสูงโดยที่สุดแม้แต่สมัยพุทธมันแสดงว่าการฟังอริยศาสตร์เป็นต้นสมัยพุทธกาลก็ไม่ใช่ว่าเขาจะฟังกันได้กราดกลื่อนทั้งหมดก็ไม่ใช่ เพราะนั้นท่านท่านนลก็บอกว่าดูก่อนคึ้นหาบดีท่านมีกระถาเห็นปานนี้ไม่ได้แจ่มแจ้งแกขึ้นหัดผู้นุ่งผ้าขาวแต่แจ่มแจ้งแก่บัประชิตนันที่ผู้การตั้งข้อสังเกตเลยนะพสูตลึกๆ ก, ก็มีแต่ดูก่อนที่สูทั้งหลายไม่เห็นบอกดูก่อนคารวาททั้งหลายน้อยอย่างนะมีอยู่บ้างเช่นสูที่แสดงกับโซนาเสถีบุตรนะนั้น ที่บอกว่ารูปดูก่อนโซนะรูปอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นที่เป็นอดีตที่ที่สอนในที่เมืองราชเครืกอกงะนั้นที่ฟังย า, ยากอยู่เหมือนเดิมนีนะมันตั้งเอาวิปสัญญาณเป็นสมัยพุทธกาลก็ไม่ใช่ว่าเขาจะฟังกันได้กลาดเกลี่อนทั้งหมดก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นท่านพระนรินทร์ก็บอกว่าดู ก, กรขึ้นหาบดีท่านมีกระถาเห็นป่านนี้ไม่ได้แจ่มแจ้งแกขึ้นหาดผู้นุ่งผ้าขาวแต่แจ่มแจ้งแก่บปรปชิตนัที่ผู้การตั้งข้อสังเกตเลยนะ พระสูตรลึกๆก็มีแต่ดูก่อนพระสูตทั้งหลายไม่เห็นบอกดูก่อนคารวะทั้งหลายน้อยเนี่ยนะมีอยู่บ้างเช่นสูตที่แสดงกับโซนาเศรษีบุตรนะเนีนที่บอกว่ารูปดูก่อนโซนะรูปอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นคือเป็นอดีต ท, ที่ที่สอนใะที่เมอราชเครือกันนมีแต่ว่าไม่มากนักนะที่ตั้งเอาวิปัสสนาญาณเป็นต้นเอาเ อ, าอาริยสัจเป็นต้นมาแสดงกับกลุ่มคารวาะแต่ก็คารวาะในยุคนี้ก็ถือว่าพิเศษหน่อยนะฟังอริยสัจมากกว่าพระภิกษุ อภิสุบโมตขายสวรรค์กันอยู่ท่านภาษารีบุตรก็กล่าวว่ า, อ, าอ่านาถบินทิกาก็กล่าวว่าข้าแต่ท่านภาษารีบุตรู้เจริญถ้าอย่างนั้นขอทำมีกระถาเห็นตานี้จงแจ่มแจ้งกับครหัส่ายผู้น่มงผ้าขาวบังเถิดเพราะมีกุลบุตรผู้เกิดมามีกิเลสทุลีในดวงตาน้อยจะเสื่อมคลายจากธรรมะเพราะไม่รู้ธรรมะเดิไม่ได้สดับ ถ้าไม่ได้สดับเนี่ยเขาจะเสียผลประโยชน์เนี่ยนะดังนั้นถ้ามีโอกาสก็แสดงให้เขาฟังบ้างนะก็แสดงอย่างนี้ให้เขาฟังบ้างแต่ก็มีคนที่อัธยาศัยฝักฝ่ายชอบฟังอย่างนี้ก็พอมีอยู่บ้างไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าไม่มากอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะหลังจากที่ท่านพระสารีบุตรและท่านทานนท่านกล่าวสอนานาถาบินขิกะคึห้หาบดีด้วยโอวาทนี้แล้วก็ลุกจากอาสนะหลีกไป พอท่านอนาถาบินทิกะขึ้นหบดีเมื่อท่านพระสารีบุตรและท่านท่านนลีไปไม่นานก็ได้ทําการลกิริยาเข้าถึงสวรรค์ชั้นดุสิตนั่นนะก็แสดงว่าอนาถานี่มีอะไรเป็นอารมณ์ก่อนตายนนะถ้าดูตามสูตรนี้ท่านมีพระเชตวันเป็นอารมณ์ก่อนตายคือมีเรื่องราวเกี่ยวกับพระเชตวันก่อนตายานะช่างสังสมเกี่ยวกับเรื่องพระเชตวันอยู่กี่ปี ยี่สิบสี่ปีด้วยกันเนี่ยนะชีวิตยี่สิบสี่ปีเนี่ยที่คลุกคลีเข้าวัดเช้าเย็นเข้าวัดเช้าเย็นเนี่ยยีิบสี่ปีเนี่ยนะคูณสามร้อหสิบห้าวันเข้าไป น, นะโดยปริมาณวันนี่ไม่ธรรมดานะเราถามว่าโดยปริมาณชั่วโมงอีกละ่ะที่ท่านส่องเสรคิดเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักเนี่ยนะชีวิตก็โอโ้โหตลอดเวลายี่สบสี่ปีที่ไข้ควรเรื่องเหล่นานี้ท่านท่านนี้ปึกธรรมะโดยที่ไม่มีอ ก, กุสนเสกนั่งสบสายเลยใช่ไหม มีแต่กุศรธรรมนลื่อนๆที่เป็นไปซึ่งในสมัยที่อะไรนะในสมัยที่ที่ที่ทมาตรฐานมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่มีพระธรรมคำสอนที่มาตรฐานมันนึกถึงชีวิตแล้วอันสรงระบายตั้งแต่แรกทบพระพุทธเจ้ามันหลังหลังจากนั้นท่านก็เป็นคนดีมาตลอดทีนี้ถามได้ถามว่ารู้ได้ยังไงว่าก่อนตายท่านได้รึกถึงพระเชตวันก็บอกดูจากคาถานี้ว่า ขั้งนั้นเมื่อปฐมยามล่วงไปแล้วอนาถบินทิกาเทพบลิตมีรัศมีงามสองพระเชตะวันให้สว่างทั่วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างผู้ประทับถวายอภิวาสพระผู้มีนาฏานึกถึงเชตะวันเมื่อไหรก็ตีดแตงพยืนเรียบร้อยแล้วได้กราบทูลพระผู้มีประปิฎิแล้วก็ชื่นชมอารยมักว่าสาัตว์ทั้งหลายย่อมบริสุทธิ์ด้วยธรรมห้าประการอะนาท่านย่ออารยมักเหลือห้าอย่างเนี่ยนะแล้วเาขาไม่แสวงบุญคืออะไรแสวงหาอารยมักกันนะ ผู้สแสวงหาอริยมรรคเนี่ยเข้ามาอยู่ที่นี่กันนะผู้ใดสแสวงหาอริยมรรคที่เป็นประตูแห่งพระนิพพานท่านเหล่านั้นมาที่นี่กันอันพระองค์ผู้เป็นพระธรรมราชาประทับเนียนะราชาแห่งโลกุกตรธรรมประทับอยู่เป็นที่เกิดปีติแก่ข้าพงศ์นะ น, นะถามนึกถึงเชตวันเมื่อไหร่ก็ปีตินึกเมื่อไหร่ก็ปีตินึกเมื่อไหร่ก็ปีติ แล้วก็ชื่นชยมาริยมักว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมบริสุทธิ์ด้วยธรรมะห้าประการอันอนะท่านย่ออาริยมักเหลือห้าอย่างเนี่ยนะธรรมะห้าประการคืออะไรหนึ่งกรรมกรรมตัวนี้เป็นชื่อของมัคคิจนานี่นะว่าบริสุทธิ์ด้วยกรรมนะด้วยมัคคิจนานะจึงจะบรรลุได้จึงจะบริสุทธิ์ดได้สองด้วยวิชาวิชานี่คืออะไรคือปัญญาปัญญานั้นถ้าแบ่งโดยขันโดยธรรมได้เก่อะไรสัมมา ทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะเรียกว่าวิชาสอนวิชาแลวนะ ส, ส, ส, ส, สามธรรมะธรรมะคืออะไรคือธรรมะฝ่ายสมาธิมีอะไรบ้างสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยนะแล้วก็บริสุทธิ์ด้วยศีลศีลคืออะไร สัมมาวาจาสัมมาการมันตสัมมาอาชีวะแล้วก็สุดท้ายชีวิตอนุดมชีวิตอุดมคืออะไรชีวิตของผู้ที่ดํารงอยู่ด้วยศีลเป็นต้นนั่นแลเรียกว่าชีวิตที่อุดมมันชีวิตของผู้บริบูรณ์ด้วยอริยมรรคชื่อว่าเป็นชีวิตที่สูงสุดเนี่ยนะท่านจึงชีวิตของผู้ผู้เป็นปุถุชนทั้งหลายจึงพยายามขวนขวายสแสวงหาอาริยมรรคให้เจอเนี่ยนะแสวงหาอาริยมรรค ทีนี้สำหรับผู้ที่จะสแสวงหาเรียมักก็ต้องลำลองมั่นอยู่ในศีลเนี่ยนะสรุปว่าธรรมะที่จะทำให้บริสุทธิ์เนี่ยนะมีอะไรบ้างหนึ่งกรรมสองวิชาสามธรรมะสี่ศีลห้าชีวิตอุดมมักคือเออกรรมคือมักคเจตนาระดับมักเลยนะเป็นกรรมไม่ดำไม่ขาวเนี่ยวิชาอ่าวิชาคือ สัมมาทิทีสมมส er. สมม่สัมมาสังกตะธรรมะคือสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิศีลคือสัมมาโวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาช theme, ีวะเพราะฉะนั้นแล้วก็ชีวิตของผู้ดำรงอยู่ในศีลเนี่ยเป็นชีวิตที่สูงสุดเรียกว่าชีวิตอุดมชีวิตอุดมเนี่ยนัหมายถึงชีวิตของผู้ที่ตั้งอยู่ในศีลเป็นชีวิตที่อุดมก็มีแต่แสดงไงชีวิตของผู้ตั้งอยู่ในศีลชื่อว่าเป็นชีวิตที่สูงสุดทั้งท่านก็บอกว่า ผู้ที่จะบริสุทธิ์บริสุทธิ์ด้วยธรรมห้านี้นะไม่ใช่บริสุทธิ์ด้วยโคตรหรือด้วยรัพย์คือถ้ามีสตางและซื้อความบริสุทธิ์ได้ไหมไม่ได้เท้าที่ไหนบริสุทธิ์ได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นเลยเพราะฉะนั้นขอมายังแสวงหาขันหะขันนามขันศีอยู่นะมมักมีสรรพยุทธ์กับนามขันศีไหมเอายังสรรพยุท์อยู่นะเพราะฉะนั้นท่านพึงเมื่อเ ย, ย็บคายจึงจักบริสุทธิ์ได้ ในธรรมนั้นด้วยอาการอย่างนี้ น, นะถ้าใครที่ต้องการประโยชน์ของตัวเองจริงๆเลยนะประโยชน์ตัวเองเราก็คงไม่สแสวงหายการสามสิบสองใช่ไหมไม่ใช่มุ่งจะรักษาผมขนเล็บฟันหนังเม้อเอ็นกระดูกอันนี้ไม่ใช่อยู่แล้วใช่ไหมทีนี้แล้วประโยชน์ตนก็ต้องเอาเอ า, เอาที่ไหนเลยธนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันแล้วเอาอะไรขอมายังสแสวงหายขัน 5, ขน้ำ ม, มาขันสีอยู่ไหมมักนึกมีสัมปะยุกต์กับนามาขันสีไหม เขายังศักพยุ์อยู่นะเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าเมื่ อ, อเมื่อเล็งเห็นประโยชน์ของตนควรเลือกเ้นธรรมขันห้าธรรมขันห้าคือหนึ่งสีลขันสองสมาธิขันสามปัญญาขันสี่วิมุตติขันห้าวิมุตติญาณมัทสนาขันจริงๆแล้วพวกนี้เป็นชื่อของนามขันไหมเ้นหานามขันนี้ให้พบกันแล้วกันไม่ให้พบที่ไหนก็พบในจิตของตนนั่นแหละถ้าพบที่พระพุทธเจ้าล่ะ อ้าวก็ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของเราอยู่ดีเพราะที่ท่านภาษาดุจอ้าวก็ของท่านภาษาดุจไม่ใช่ของเราเพราะฉะนั <ifier> ้นเลือกเฟ้นธรรมขันนี้ให้มีในใจของเราทั้งหลายเนื้อที่เราทั้งหลายจักบริสุทธิ์นี้บริสุทธิ์ด้วยอาการอย่างนี้คือเลือกเฟ้นให้เห็นเห็นอะไรเลือกเฟ้นให้เห็นธรรมขันห้าประการเหล่านี้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นผู้ที่เห็นประโยชน์ตนนี้ควรเลือกเฟ้นธรรมธรรมเหล่านี้ถามว่าเลือกเฟ้น ในธรรมะนั้นคือสัจจะสี่เหล่านั้นได้ถ้าถ้าเลือกเฟ้นเหตุได้ธรรมขันห้าประการก็จะเห็นสัจจะสี่ทั้งสัตว์ทั้งหลายจักบริสุทธ์ด้วยอาการอย่างนี้ นักวิชการถามพระอาจารย์ค่ะโยมไม่เข้าใจที่ว่าธรรมะที่ทําให้บริสุทธิ์ข้อแรกที่ว่ากรรมพระอาจารย์บอกว่าหมายถึงมัคคเจตนาก็คื อ, อเจตนาเจตสิกในมัคจิตซึ่งที่จริงเจตนาตัวนี้มันไม่ได้นําเกิดอะไรมันก็ใช่ของเราทั้งหลายได้ยินนะท่นหมายถึงว่าเฉพาะของพระอริยะหรือเปล่าคะหรือ ย, ยังไงก็มัคคเจตนาเนี่ยนะหมายถึงกรรมที่เป็นไปกับมัคเนี่ยจึงจะทําให้คับบริสุทธิ์ กมในนขัเพราะฉะนั้นสัตว์ที่บริสุทธิ์ในที่นี้ก็คือพระอริยะสี่บุคคลใช่เริ่มพระอริยะขึ้นไปจึงจะเรียกว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อย่างแท้จริงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นผู้ที่บริสุทธิ์แท้จริงคือผู้ที่บริสุทธิ์ด้วยอริยสัตว์เนี่ยนะลงอาบน้ําด้วยสระน้ําคืออริยสัตว์จึงจักบริสุทธิ์ถ้าไม่อาบน้ําด้วยสัตวจะหรือไม่ได้อาพิเศษด้วยสัตจ่านั้นความบริสุทธิ์ยังมีไม่ได้หลังจากนั้นอนาธบินทิกะกล่าอย่างนี้แล้วพระศาสดาก็พอพระท คือที่กล่าวว่าตอนแรกว่าพระเชตะวันนี้เป็นที่ยังจิตให้โสมนัสมากสําหรับท่านอนาถไปศีลและด้วยความสงบปัญญาศีลความสงบนี้ก็คืออะไรปัญญาคืออะไรสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกตะใช่ไหมศีลก็สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะความสงบก็คือสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยนะความจริงภิกษุพูดถึงฝั่งคือพระนิทานแล้วจะอย่างยิ่งก็เท่ากับพระสารีบุตรนี่แหะ เว้นถราผู้ายานะถ้าคนทั่วไปว่า ม, มีใครเกินภาษาริบุหรอกหลังจากนั้นอนาทะบินทิกาก่าวอย่างนี้